ทรงสอบถามแล้วอนุญาตให้คืนจีวอนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพวกพิสูจนชาวพคีว่าทราบว่าพวกเธอไม่ยอมคืนจีวอนที่มีผู้สละให้จริงหรือพวกพิสูจนชาวพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าทรงตําหนิว่าะขณนพวกเธอจึงไม่ยอมคืนจีวอนที่มีผู้สละให้เราโมฆะบุรุษทั้งหลาย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 แก่คณะหรือแก่บุคคลจะไม่คืนไม่ได้ภิกษุใดไม่คืนให้พิกษุนั้นต้องอาบัตรทุกกฎประทมกทินสิขาบทที่หนึ่งจบ